คำว่ามักผลก็หมายถึงว่าทุกคนต้องการนิพพานปัญหามีว่าทุกคนนะถ้าจะปฏิบัติเพื่อ น, นิพพานนหวังก็ได้แน่นอนไหมว่าจะไปนิพพานตอนนี้ก็ขอพระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสร้างกำลังใจตามนี้ตามธรรมดาของคนเดินทางไกล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 สำหรับพระนิพพานนี่มีคนส่วนมากพูดว่าไม่หวังในพระนิพพานก็เป็นเรื่องของท่านเมื่อคนบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานี่สมเด็จโตสัมมาทิฏฐิเจ้าทรงตรัสว่ามีกำลังใจไม่เส ม, มอกันในเมื่อการที่มีกำลังใจไม่เส ม, มอกันอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายอาตมาก็จะไม่เข้าไปยุ่งกับกำลังใจ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 แล้วก็บอกว่าพระบับเวลานี้จบกิจการศึกษาของวัท่าสงแล้วแต่ความจริงมันดาท่านพระบริษัตการปฏิบัติในมโนยิธิไม่ใชยจบการศึกษาทางนี้เพราะอรับรู้ว่ามโนยิธิก็ดีสองในวิชาสามก็ดี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 ไม่ใช่สอนแบบเละเทะเป็นการสอนตามความเป็นจริงว่ามีจริงฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงก็ดีบนรญาตผู้ศกษม่นเนก็ดีที่ปฏิบัติกรรมฐานอยู่จงอย่ามีความรู้สึกว่ามนโนนิธิที่เราได้ เป็นการพอสําหรับเราแล้วเราทําจบแล้วอันนั้นยังไม่จบมโนยิทธิที่พวกเราได้เป็นฌานโลกีฌานโลกีนี่ถือมว่าเราจะพบอะไรได้ก็ตามสามารถจะเห็นนิพพานได้ด้วยนิพพานนี่ความจริงเป็นของไม่หนักเพราะว่าสำเร็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามาด้ทรงหวงนิพพานไว้เฉพาะพระองค์ แลวก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพระองค์ทรงใกล้จะนิพพานสมบัติพระวิตรมก็ทรงมีพระพุทธดีกาแั่กับพระอนณนว่าอานันทะดูก่อนอนุนคำสอนใดที่เราจะหวงไว้เฉพาะครูอ น, นั้นไม่มีอยู่สมรัติเราเราสอนแล้วทุกอย่าง เมื่อต่คาคดนิพพานไปแล้วก็ทำ ร, ร, รีในที่สอนเธอไว้จะเป็นศาสดาสอนเธคำเมื่อศาสนาก็แปลว่าครูดะนั้นความรู้ทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเวลานี้เราก็มีสิทธิ์นำมาใช้ทั้งหมดแม้แต่ว่าพระนิพพานที่มีหลายคนบอกว่าเกินฤสัยสำหรับเราก็ช่างประไร เกินมีใสสำหรับใครก็ช่างก็ถือว่าไม่เกินมีใสสำหรับเราถ้าชาตินี้เราไปไม่ได้ชาติหน้าเราก็อาจจะไปได้ชาติหน้าไปไม่ได้ชาติโน้นเราก็อาจจะไปได้แต่เราตั้งใจไปไว้ทุกชาติไม่รู้ลชาตินี้ใครจะว่าบ้าว่าบวามองเราตามถ้าเราบ้าเพื่อปณิธานดีกว่าบ้าไปนรก ดีกับบ้าหลาับง่า ย, ยึดบ้าเห็นเสนบ้าสุขบ้ารับสินจ้างรางวัลชาวบ้านชาวเมืองทำจิตให้เป็นทาตไม่ทำใจให้เป็นไทยบ้าประเภทนั้นลำบากกว่าเรามากกรนีวิธีที่เราจะเลิกละความบ้าค่อยๆละมันละทีเดียวมันหมดความบ้าไม่ได้ เวลานี้เราบ้านในอะไรบ้างบ้านในความรักบ้านในครามโลภบ้านในความโกรธบ้านในความหลงอะไรที่ว่าบ้าเราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีการทรงตัวปิยโตชายติโสโกโปิยโตชาญาติพยังพระพุทธเจ้าทรงตัดว่ความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรัก ไัยอันตรายเกิดจากความรักทั้งทั้งที่เราฟัองอยู่อย่างนี้เราก็จะบ้ารักจะอยู่ตลอดเวลาแต่ก็จําจะต้องบ้าเพราะเกิดมาในกลุ่มของความเป็นคนบ้าในเมื่อมันบ้ามาแล้วก็คลายบ้าทีละน้อยทีละน้อยจะคลายมากคลายมากมันจะเคลืกินไป วิธีคลายบ้าท่านยังไงบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายบรรดาผู้ศึกษามนเณรผู้รับฟังปฏิบัติตามนี้เราจะนําสังโยชนิปการมาเป็นเครื่องปราบความบ้าพิจารณาดูใจเราว่าใจเราบ้าอะไรบ้างในสังโยชนิประการมีสกายทิฏฐิ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 เห็นชาวบ้านเขาป่วยก็มีไม่มีความรู้สึกว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราอาจจะป่วยอย่างนี้ <c oughs> เห็นเขาจะบ้านมีความตกละกลั่วลาบากมีการทุกันลพักษ์ในร่างกายเราก็ไม่เคยคิดว่าการร่างกายเราจะเป็นอย่างนี้ในที่สุดเห็นชาบ้านกพัดพรจากของรักของชอบใจเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะเป็นอย่างนี้ เห็นชาวบ้านเขาตายเราก็ไม่เคยคิดว่าจะตายคอ ว, ว่าทานอภัยแตกรับว่าทุกท่านที่ฟังอยู่นะความบ้าอย่างนี้มีอยู่ไหมถ้ายังมีส่วนใดส่วนหนึ่งพยายามลดความบ้ามันเสียมมไหมายความว่าเราพยายามจะตัดความบ้าจะตัดให้มันมากตัดทีละน้อยละน้อย และข้อดีสองที่เราต้องลดความบ้าที่เราบ้าคือสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าในความดีในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าความดีของพระอริยสงฆ์สงสัยว่าพระอริยสงฆ์ไม่มีแล้วในโลกแต่พระพุทธเจ้านิพพานไปนานแล้วเวลานี้ไม่มีพระอริยสงฆ์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 พริสังยดข้อดีสามนั่นคือไม่เห็นชอบโดยสินก็หมายความมาขึ้นชื่อวาการปฏิบัติในสินวาจาดีกายดีต้องรวมทั้งใจดีด้วยสินท่านมีแต่กายวาจาไม่เป็นเรื่องคือก็ต้องใจดีสำหรับข้าวัดชาวบ้าน ใจคิดจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ใจคิดจะไม่ฆ่าสัตว์มือมันก็ไม่ฆ่าปากมันก็ไม่พูดจะฆ่าใจคิดว่าจะไม่รักไม่ขโมยของใครไม่ใจคิดแล้วปากมันก็ไม่พูดเกี่กการลักขโมยมือมันก็ไม่ทำใจคิดว่าเราจะไม่ระเมิดความรักของบุคคลอื่น เมื่อใจคิดอย่างนั้นปากมันก็ไม่เกี่ยวพาราสีไม่พูดกายก็ไม่ทำใจคิดว่าเราจะทรงสัจะวาจาอย่างเดียวจะไม่พูดวาจาไม่จริงเมื่อใจคิดปากมันก็ไม่พูดอย่างนั้นใจคิดว่าเราจะไม่ดื่มสุราดื่มไรนใจคิดอย่างนี้ปากมันก็ไม่ดื่ม นี่ถ้าเราจะละความบาสสำหรับครวญวัด ส, สำหรับสมณเ น, นต้องสินสิบพร้อมไปเสวียที่วัดอีเจ็สิบห้าแล้วก็พระต้องพร้อมไปด้วยสิขาบทาสองร้อยี่บ้าท่านพุทธมาจารย์ดวยบวกธรรมะด้วยพระต้องมีมากแต่เราทำไม่ได้อย่างนี้เราก็บาในสังโยคข้อที่สาม ถ้าเราละความบ้าค่อยๆคลายความบ้าลงมาเช่นได้นแล้วไม่ช้าความบ้าก็สลายตัวไปรวมความง่ายๆว่าอันดับแรกถ้าจิตใจเราสามพยายามควบคุมสังโยชน์สามโดยการไม่เกิดกับใจแั่นแม่นแน่นอนนั่นก็คือว่าหนึ่งสกายทิฏฐิ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 ร่างกายเราร่างกายเขาไม่ช้าก็ตายเึ้นเดียวกันความเมาในร่างกายลดตัวลงก็เราว่าลดความบ้าในความเมาในร่างกายยังไม่หมดนะมีความรู้สึกว่าจะต้องตายแต่ก็ยังรักร่างกายอยู่แต่คิตคิดว่าร่างกายนี้สักวันหนึ่งมันจะต้องพังแน่ก็มีอยู่เหมือนกัน ไม่เมาเกินไปยังมีความรักในมันแต่คิดว่ามันจะตายเลยไม่ประ ม, มาทในการปฏิบัติในด้านของความดีหลังจากนั่นก็ปัญญาเข้าพิจารณาความดีขององค์สมเด็จพระจีเนศรีและก็ความดีเข า, าทำคําสั่งสอนขององค์ ส, สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งความดีของพระอริยสงฆ์ใคยคนใดความเป็จริงตกลงว่าทั้งสามนะสัตย์นณาสัณนาคมนี้พรไตรสัณนาคมไม่แก่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ยอมรับว่าท่านดีแนะ่ไม่มีการสงสัยในพระไตรสัณนาคมทั้งสามรายการ หลังจากนั้นจับสินได้ขึ้นครับปฏิบัตในสินยิ่งกว่าชีวิตถือว่าตัวตายดีกว่าสินขาดค่อยๆนะแต่พูดอย่างนี้จะมีใครมาลองที่เขาดูตัวตายดีสินขาดไปลองตีลองดาเขาระวังระวังนะเพราะว่าทุกคนกำลังฝึกเพื่ออย่างนี้แต่ยังไม่ถึงอย่างนั้น ดาเบาๆอาจจะทนได้ดาแรงๆดาบ่อยๆอาจจะทนไม่ไหวอย่งนี้ก็ได้ตีเบา ๆ, ๆอาจจะทนได้แต่ตีแรงๆสปิงแข่งสปริงขามันจะเกิดอย่าไปยุ่งกันเพราะว่าทุกคนกาลังฝึกกันกาลังฝึกนี่มันหมายถึงผลเป็นนั้นว่าองค์สมเด็จพธธธระพุทธพลทรงตรัส ว่ากดบุคคลใดบันเทาความเมาในชีวิตคือร่างกายมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันจะต้องตายแต่ก็ยังรักร่างกายอยู่ไม่ใช่ไม่รักอย่าไปเคาะอย่าไปตีอย่าไปแตะอย่าไป ต, ต, ต้องกันเข้าแล้วก็เหตุการที่สองมีความไม่สงสัยในคุณประไพรสนนาคมทางสามเหตุการ์ เดยการที่สามีสิงคบทวนตามสัญญาตังกล่าวว่าท่านผู้ปฏิบัติอย่างนี้ถือว่าเป็นผู้เป็นเบโสดาบันเลพสีทาคามีแต่เขอบันดาท่านดีสุสมณเณรอุบาสกอุบาสิกา เมื่อฟังไปแล้วก็อย่าเมากายเกินไปนะอ่านตามหนังสือแล้วหนังสือเขาเขียนเฉพาะตามความเข้าใจเขาบุคคนผู้เขียนเป็นตรองอย่นลืมว่าการคุยเรื่องขนมมันไม่มีความรู้สึกจริงเท่ากินขนม ดันั้นนาสีก็เขียนว่าถ้าระงับสังโยษ์สามเรากายคือส ก, กายทิพิมีความรู้สึกว่าต้องตายวิจิกิจฉาไม่สงสยัยในคุณ พ, ะ ร, ร, พระรัตนตรัยสีลพตปรมาตรสาสินเครื่องครับเป็นวโสดาบันไดสิิธาคามีอ น, นุยัง ถ้านักปฏิบัติก็คือคนจริงใจรงจริงๆต้องบอกอดยังยังก่อนทําไมจึงว่ายัางก็เพราะว่ายังไม่เป็นจริงๆถ้าอารมณ์แค่นี้แล้วก็ยังไม่เรียกโสดาบันและพระสิธาคามีต้องเรียกว่าเป็นผู้เข้าถึงไตรสรตรสรนาคมคือมีความเคารพในพระพุทธเจ้าจริงแลพระธรรมจริงในพระอริยสงฆ์จริง สหรัจท่านีเป็นเบโสดาบันจริงๆก็ต้องเนึยงปฏิบัตจิจิตจริงแนจิตมีอารมณ์รักพระนิพพานอย่างยิ่งมันดาจะเป็นชายก็ดีหญิงก็ดีที่สุสมเดชอมาสุบาติกายก็ตามทำความดีได้จิตคิดไม่เสมออยู่เสมอว่าการความดีที่เราทำแล้วตายเมื่อไรเราต้องการจุดเดียวคือนิพพาน อารมณ์นี้ต้องมั่นคงแล้วก็ใจชาลงจากความรักในระหว่างเพศชาเล็กน้อยนะคือไม่ค่อยาแรงเหมือนเดิมชาจะกำลังข้องความร่ำรวยใจชาลงจากกำลังข้องความโกรธใจชาจะกำลังข้องความหลงมันชาเล็กน้อยไม่ชามากหมายความอารมณ์มันเกิดชาไปนิดหนึ่ง ต่เกิดและอารมณ์ก็มันเฉยไปหน่อยหนึ่งความรักความอยากโกวยความโกรธความหลงยังมีครบพิ้มบริบูรณ์แต่ว่ากำลังมันช้าไปในกำลังใจของท่านบุนนั้นมีความรู้สึกอยู่บ้างวันเดียมว่ารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคื อ, อกดธรรมดาทั้งหมดแต่ว่าจะให้ละได้ทั้งหมดก็ยังไม่จริง อย่างละไม่ได้หมดไปคิดว่าธรรมดามันเป็นอย่างนี้นี่นะเราเกิดมาเพื่อชาวบ้านเขาดา่าที่พระพุทธเจ้ากรัสว่านัตถิโลกี อ, อนินทิตโตพระพุทธเจา้าบอกว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้ไม่ถูกดา่าไม่ถูกนินทาไม่นะไมีจําไว้ว่าเราเกิดมาเพื่อถูกชาวบ้านเขาดา่าเขาอยากดา่าก็เชิญดา่าแต่ระวังนะ เอโสดาบานันในดาท่านหลอกมากกว่าใดหลอกท่านมีจิตเมตตามากถึงเพียงว่าจะขาดทุนดีไม่ดีกันให้มัง่งด้วงความว่าถ้าจะเป็ น, นโสดาบันจริงๆจิตต้องรักอนิพานเป็นอารมณ์อารมณ์เริ่มเฉยในความต้องการนั่นก็คือความรัก ยังมีอยู่ซบทพนบโบนแต่เฉยไปหน่อยความโลภความอยากรวยยังมีอยู่แต่เฉยไปหน่อยความโกรธยังมีช้าไปนิดความหลงยังมีจืดเป็นหน่อยอย่างนี้ท่านเรียกว่าประสดามันฟังดูจริงๆแล้วก็เป็นของไม่ยาก อนวันนี้เราก็มาพูดเรื่องแค่วโสดาบัญก่อนในเมื่อการศึกษาเขาศึกษากันในพระพุทธศาสานาในเรื่องเจา้าทรงยืนยันโดยมากว่าเรื่องบา ร, รมีสิท่มีความสำคัญอย่างยิ่งถ้ามีบา ร, รมีไม่ครบถ้วนเราจะเป็นบาสดาบัญไม่ได้ ถ้ามีบารมีครบถ้วนเราก็จะเป็นข้าเรียเจ้าคือท่อานปจ้โสดาบันคือเมื่ออันนี้บรรดาท่านพระดุบริสัทพระเนรทุกองค์ก <c oughs> ู้ได้มโนยิบพิแล้วสังวรให้มากคือคําว่าสังวรคือระวังให้มากอย่าไปหลงฌางสมาบัติเกินไปฌางสมาบัติไม่ควรทําไม่ควรละประชางสมาบัติเป็นระพยงตัวระงับกินเล็เท่านั้น ถ้าเผลออมอไรมันก็ฟูเมื่อ น, นั้นผมนั่งนอนนอนแล้วก็แวแวแววเสียงบางท่านบอกเวลานี้ฉันทรงอยู่ในชานสีบ้างฉันทรงในฌาสามบ้างกำลังใจฉันมีสภาพแจ่มใสบ้างอันนี้ระวังระวังมันแจ่มใสขนาดไหนถ้าแจ่มใสขนาดเป็นพระอาวหันแ้วก็ไม่เป็นไร เแต่เสื่อมมากที่แจ่มใสมันเป็นการแจ่มใสของฌานโลกีระวังให้ดีนะเพราะฉะนั้นท่านนั้นหลายจะาศึกษาอย่างนี้ถ้าจิตเป็นฌานทรงฌานไว้เป็นของดีแตยังดีไม่พอยังไม่พ้นนรกสิ่งที่เราจะทําให้พ้นนรกก็คือสัยญอสิบตัดให้ได้แต่การที่จะตัดสัญญอผิดต้องประกอบไปด้วยองค์คุณหน้าสิบรายการก่อน สังโยชที่รายะตัดสิบไปกําลังช่วยการตัดก็สิบเหมือนกันที่เรียกว่าบารมีสิบบารมีนี่ท่านแปลว่าเต็มเรียนมาว่าอย่างนั้นแต่ว่าศัพท์ของพระพุทธเจ้าได้ฟังมาได้ฟังมีคนก็พูดว่าพระพุทธเจ้าท่านแปลว่ากําลังใจเต็มจะไม่ดีนะถ้าถามว่าที่วัดนี้แปลบารมีว่าอย่างไง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 เติมพร้อมในเมตตาคือความรักไม่มีความเลวเข้องผสมไม่มีความโหดราเหมะสมเติมพร้อมในเบกขาหือ ก, การวางเฉยมาค่อยฟังกันต่อไปตอนนี้จะมานั่งคุยกันอะไรมันรอดไมโครโฟนคึ้เขาแล้วมาคุยสักนิดมองดูเวลาหรือประมาณห้านาทีได้ไหมสี่นาที ก็มาคุยกันสักหน่อยว่าทานบารมีเนะี่ยความจริงบารมีได้สิบราการนะตื่นขึ้มนมาเช้าจะต้องเขียนเนะี่อพ้องจำไว้ว่าบารมีสิบรายการไนมะ่มีอะไรบ้างคือหนึ่งทานการให้สองสิงการอักษาสามเกะมกรมมการอดใจในในนิวรณ์ห้ารการขั้นตน้นขั้นต้นนะ สามัญญารู้แจ้งเห็นจริงในเมาร่างกายเราเขามีไหมสามวิริยะความเขาทศวิศนั่นก็ห้านี่มันห้าสติแล้วก็ห้าวิทยาความเพียรต่อทุ่สู้ทุ้บศัรดิ์ไม่ท้อถอยแล้วก็ขันติความอดทนต่อรม์ต่างๆแล้วก็สัจจะมีความจริงงงหน้าเฉพาะผลิพาน อธิฐานตั้งใจไว้ตรงไม่หลีกเลื่องเฉพาะพรนิพพานเมตตาจิตหน้าตาชื่นบานหินกุัลตบเป็นมิตรแล้วก็อธท้าสิบอุมเบกขาจิตคิดวางเฉยไม่โตตอบไม่รุกรานไม่ซ้ำเติมใครกำลังใจทั้งสิบรจกามนี่แหละบรรดาท่านพิสุสมมมณีทั้งหลาย อารมณ์าสุกอารมณบาติกาทั้งหลายถ้าไม่สามารถจะทรงได้ทั้งสิทธันโนวิทิถ้านั้นได้แต่มันไม่มีผลหรอกผลมันมีเหมือนกันแต่มันจะมีตรงไหนนะมีตรงนี้ได้ฌานโลกีแต่ไม่ช้าฌานนี่มันจะสลายตัวอารมณ์เสื่อมมันจเกิดคือความดีมันไม่ส่งตัว ความดีไม่ทรงตัวแล้วเป็นยังไงขั้นสุดท้ายสิ่งที่เราจะไปก็คือนรกผู้ป่าทันมันจะกินไื่ลายสามนาที้าพูดเรื่องสองอัยญอดสัยญอดที่มีสิทธิาต้องระมัดระวังให้มากอันดับแรกตัดสามให้ได้ก่อนต้องให้ได้แน่นอน เราสักงไดว่าทำเรื่องชาโลกีได้เท่าไรก็าตามแด่สังโยชนสามยังไม่ได้เนี่ยตรงมีความรู้สึกว่าเอาดีไม่ได้เรายังไม่เท่าถึงความดีและความดีที่ตัดสังเยชนสามได้เลกน้อยสังโยชนอีกไปก็คือการมาฉันทะการตัดอารมณ์ในกามคุณนาฬิกะการตกตัดอารมณ์กระทบใจ ถ้าตัดได้สองเป็นพระอนาคามีตัดได้ห้าคือไม่หลงในรูปประฌานและไม่หลงในรูปประฌานระวังให้ดีนะมีหลงกันมากนะที่ฟังฟั ง, ฟงพระนะพระเนี่ยหลงในรูปประฌานและรูปประฌานกันหนักระวังให้ดีมันจะลงนรกไ ป, ปแล้วก็ไม่หลงใน ม, มานะการถือตัวทือตน อารมณ์ตัดอารมณ์ฟุ้งสั้นมุม่งปฏิพันธ์ไปนี้ไปอภิชาตัดกําลังใจมมที่เห็นว่ามนุษสโลภถือโลภเพรามโลกไปของดีให้สิ้นไปกําลังใจมีอารมณ์เดียวคือนิพพานมี่รบรรดาท่านพระตวริษัททุกท่านถ้าทําได้อย่างนี้น่าจะเป็นอรหรันต์อยเป็นโมดิโมเมาดิชาโลกีเกินไปบางท่านบอกสำรวจใจมาให้จใส ใส่เจ้าไม่ใส่นั่นมาไม่ใส่อรในสภาพของพระอริยเจ้าเป็นการใสในช่งขั้งของชันโลกีเจ้าใสขนาดไหนก็ตามทีถึงแม้ว่าจะเป็นพระราหันจำไม่ว่าถ้าเราจะมีร่างกายเพียงใดเรายังไม่ดีเท่านั้น เราจะดีได้จริงๆก็คือร่างกายหมดไปเข้าปณิพานอาราบรรดาท่านพระธรรมปริศาทุกท่านนองโดยลาพอดีพอดีอดสําหรับตอนนี้ก็ยุติไปแตเพียงในนี้ขอความสุขสวัสดิพาพคณะมงคลสมบูรณ์พุนผลคงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี